ท่าน่องที่เครบคะ่ะรายการนี้สันสนิสนทนาผ่านไปสำหรับช่วงของพระมาร์คชาคาวโรวนาปะพงลำลูกาคลองสิบตอนนี้เราก็มาพบกับพระภัยบุญอภิปุโนในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะท่านก็จัดรายการมาจากแดนไกลเลยนะคะคืออุดรธานีค่ะกราบนวัฒ ก, การค่ะเยนบานดินฉันพอพูดแดนไกลปุ๊บชะ ง, งักเลยนะคะก็าาาจาได้ว่า พอพูดอย่างนี้ท่านบอกอุดอรเนี่ยไม่ไกลแต่บ้านนอกนิดนึงท่นเอง <laughs> ไม่ไม่หรอกคะ่ะก็เป็น อ, อ, อะไรดีล่คะค่ะที่ที่มันยังไม่วุ่นวายแบบเมืองจะว่าไปอยู่กรุงเทพก็ อ, อยู่ชุมชนเมืองในประเทศไทยนี่ลำบากเหมือนกันนะคะคือ ม, มันจะแอาอัดมากขึ้นทุกวันแล้วก็มีผัดสะมากเราก็ต้องคอยระมัดระวังสมรวมอินรีของเราค่ะก็จึงทาให้คนกรุงเทพ มีปหลีกเล่นแถวนั้นมากไหมคะท่านคะโอ้ก็ในระยะหลังนี่มีมาเรียกว่าครึ่งครึ่งเลยนับเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ครึ่งครึ่งเลยนะคะใช่จากกรุงเทพปริมณฑลนี่ก็อ่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็จากอุดร อ, อื่นๆื่นี่ก็ลดลงมาลดลงมาซึ่งเมื่อก่อนนี่ก็จะมีเขตในภาคอีสานนี้มากกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นกรุงเทพปริมณฑลมามากขึ้น อ, อาจจะเป็นเพราะว่าคนกรุงเทพมีความ สามารถในการที่จะใช้อิเล็กทรอนิกในการจองเขาคอสมากกว่าคนอื่นด้วยไหมคะก็จะมีส่วนก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วอุดรธานีไม่ได้ไกลอะไหร่ค่ะไม่ไกลเกินกว่าที่จะไปแสวงหาความสงบแล้วก็เรียนรู้เรื่องการปฏิบัติใช่แต่ทีนี้สำหรับบางคนบอกว่าไกลไม่ไกลไม่รู้ละใกล้ก็ไปไม่ได้เพราะเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาก็ฟังรายการของเราท่านครับเมื่อวานนี้ ได้พูดถึงเรื่องของการปฏิบัติสำหรับดิฉันเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าตรงกับใจแล้วก็เป็นเหมือนกับมาเฉลยสิ่งที่สงสัยอยู่ในใจทั้งทงที่อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะวิธีสังเกตลมหายใจทีนี้ท่านผู้ฟังคะถ้าัมเพาะบุญก็เกรงว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะฟังกันรู้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ดิฉันเองอยากจะถามท่านผู้ฟัง ผ่านทางสถานีวิทยุนี่เหมือนกันนะคะว่าเขาท่านเคยลองปฏิบัติตามที่ท่านมาร์กได้นาปฏิบัติคือการที่จะรู้ลมหายใจเข้าออกกันมาท่านคงสังเกตเห็นอย่างที่ท่านไิบู์พูดก็อยากจะให้ท่านพูดซ้ำอีกสักครั้งหนะะึ่งค่ะว่าเมื่อเราได้สังเกตลมหายใจแล้วจากประสบการณ์ที่ท่านพบและที่ฉันเองก็ได้พบว่าเมื่อท่านพูดเนี่ยคล้ายกันมาก เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะซรับมีครั้งหนึ่งที่เราพูดไปเมื่อวานก็คือความที่ในขณะที่เรารู้ลมหาใจอยู่แรกๆเนี่ยเราก็รู้ไปได้ใช่ไหมตอนนี้พออีกสักหน่อยเดี๋ยวมันมีความคิดโผล่ขึ้นมาล่ะจจะเป็นเรื่องคนอื่นเรื่องอดีตอนาคตพวกนี้แต่มันไม่ได้ใช่ปุ๊บปั๊บแล้วเราก็ลมหายไปเลยไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแล้วมันจะรู้สิ่งนั้นด้วยคือเนื้อที่การรับรู้ของเรามีเท่าเนี้เสมอกับกระมังกระมังหนึ่งเนี่ยเราก็รู้ลมหใจเต็มกระมังเนี่ย ทีนี้พอมีความรู้อื่นเข้ามาจิตเราก็ไปรับรู้เรื่องอื่นมีความคิดเป็นต้นใช่ไหมไอปริมาณความรับรู้ลงไปยใจของเราก็ลดลงหน่อยหนึ่งสิ่งนั้นก็เข้ามามากขึ้นทีนี้เดี๋ยวมันปรุงแต่งไปอีกปรุงแต่งเป็นเรื่องอื่นปรุงแต่งเป็นเรื่องลึกเรื่องกว้างไปมันก็กินที่เข้ามาอีกไอการรู้ลมหายใจของเราก็ลดลงไปอีกเนี่ยมันก็ปรุงแต่งไปอีกเป็นเรื่องใหม่ไปอีกหรือเรื่องเดิมนั่นแหละแต่มีความแง่มุมต่างๆลงหายใจเราก็ลดลงไปอีกเนี่ย เป็นลักษณะของเฟดลงไปเฟดลงไปค่อยๆลดลงไปทีนี้ว่าเหมือนกับเวลาที่ดีเจเขาเปลี่ยนเพลงอะนะเขาเปลี่ยนเพลงเนี่ยบางทีเขาเปลี่ยนเนียนมากเราไม่รู้เลยว่าเปลี่ยนเพลงไปตั้งแต่เมื่อไหร่จนกระทั่งเขาเปลี่ยนไปแล้วเพแล้วไอ้ตรงกระบวนการที่ถูกจิต เ, เราถูกกินเนื้อที่ในการที่จะรู้ลมหายใจเป็นเป็นความคิดอื่นๆเนี่ยตรงนี้มันทีมันเนียนมากค่อยๆมาค่อยๆมาเนี่ยจนเราไม่รู้ตัวเฮ้ยเราหลุดจากลมหายใจไปเมื่อไหร่ ในเวลามิจฉาชีพเขาบุกเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็โจรเสื้อนอกหรือว่าโจรที่มันแบบเนียบเงียบก็มีเราไม่รู้ตัวแล้วเราถูกโกงจนต้อ ง, งยื่นเงินให้เขาไปด้วยซ้ําเองด้วยซ้ำํำก็เป็นลักษณะที่ว่าไอจิตเวลามันไหลไปมันก็ไปลักษณะนี้ทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอเวลาเราเริ่มรู้สึกตัวเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราไม่มีความคิดไม่ได้คือถ้าเราจะไปบังคับจิตให้เราไม่คิดเลยเนี่ยเราก็จะปวดหัวใช่ไหม พอมันมีความคิดเนี่ยคือกระบวนการในสมองคุณยมติโทราบนะที่เป็นนิวรอนคอนเน็กชันแล้วก็มันเชื่อมลิงไปมาด้วยไอเดนไรลแล้วก็ยิงกระแสไฟฟ้านไปไฟฟ้ากันมาเลยนะ <c oughs> คือถึงแม้เรานอนก็ตามเนี่ยมันก็ยังมีกระแสพูฟ้าพวกนี้ไหลไปอยู่ดีแัน้นความคิดมันมีอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าจิตของเราเข้าไปรับรู้ไหมในกระบวนการความคิดนี่คือสมองเป็นเป็นก็เรียก เ, เ, เ, เป็นเครื่องมือให้เราคิด แต่สิ่งที่เราจะเข้าไปรู้ได้เนี่ยคือจิตต้องเข้าไปรู้เพราะฉะนั้นจิตนั่นแหละที่ตัวเข้าไปรู้เข้าไปรับรู้สิ่งต่างๆรวมถึงลมหายใจด้วยแล้เมื่อเริ่มรเราเริ่มรู้สึกปุ๊บเราก็ดึงมันกลับมานะวางสิ่งนั้นซะให้จิตเรามาอยู่ในลมหายใจมากขึ้นนะเราฝึกไปได้ฝึกไปได้เนี่ยเราสามารถที่จะมีความชานาญแล้วเราก็จะรู้ลมหายใจไปด้วยได้พูดไปด้วยได้ขับรถไปด้วยได้ทําสิ่งอื่นไปด้วยได้นันก็เป็นลักษณะนี้ อันนี้คือประเด็นที่เราได้พูดไปเมื่อวานอีกเรื่องหนึ่งที่เราได้พูดกันในหลักสูตรของคนเก่านี่ก็คือเอ๊ะทำยังไงถึงเราจะรู้ว่าความสมรุนของสมถากับวิปัสสนานนคือพระพุทธาพูดถึงสมถะเนี่ยถ้ามันมากไปเนี่ยนะคือสมาธิมากไปเนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อความเกลียดคร้า น, น, นถ้าบอว่าวิปัสสนาพิจารณามากเกินไปก็จะเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่าน ขออภัยนะคะท่านคะก่อนที่จะมาถึงท่านจะจำแนกให้เราได้ทราบว่าสมถะกับวิปัสสนามีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะดิฉันอยากจะให้ท่านได้ช่วยชี้ให้เห็นก่อนว่าเมื่อสักครู่ที่พูดถึงการรู้ลมหายใจอือยู่อย่างนั้นแล้วก็มีปรากฏการณ์ต่างๆนานาซึ่งมักจะพบกันอย่างนั้นทั้งนั้นที่มีความคิดเข้ามาอะไรก็แล้วแต่นะนะคะในนั้นเนี่ยตรงไหนคือสมถะ หรือว่ามีแต่สมถะหรือว่ามีวิปัสสนาอยู่ด้วยและถ้ามี อ, มอยู่ด้วยวิปัสสนาอยู่ตรงไหนในนั้นคะเออเอาเอาตัวของมันเองก่อนเน้ตัวของมันเองก่อ น, อ น, ออนพูดถึงสมถะสมถะสมถะคืออะไรพระเจ้าเคยพูดถึงสมถะก็คือความที่จิตเราเนี่ยแ น, แน่นิ่งเป็นอารมณ์เดียวมีกําลังนะคือสมถะเนี่ยถ้าอบรมแล้วเนี่ยจิตก็จะมีกําลังนี่ยจิตมีกําลังแล้วก็จะละราคาได้อันนี้คือประโยชน์ของสมถะ คือการที่เราจิต้องมีกาลังอะเหมือนอนักกล้ามเล่นกล้ามใช่ไหมทีนี้พิปัญสนาคืออะไรวิปัญสนาก็คือการเห็นตามที่เป็นจริงในะเห็นสภาพความเป็นจริงของมันแตนะวิปัญสนะนี่ถ้าเราอบรมแล้วเนี่ยปัญญาก็จะเจริญในะปัญญาเจริญแล้วก็จะละอวิชชาได้ตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นสกนะิลในสมมุตินักมวยเนี่ยคุณต้อง เ, อเล่นกล้ามต้องให้มีความแข็งแรงของร่างกาย ในขณะเดียกันคุณต้องมีสกิลนั่นคือทักษะใ น, นการที่จะเต้นฟุตเวิร์กในการที่จะออกมัดในการที่จะเหยียบตัวหลบพวกนี้นี่คือลักษณะของสกิลคือแต่เปรียบเทียบก็ต้องมีทั้งส อ, งอย่างค่ะพระเจ้าพูดถึงไอ้2 อ, อย่างเนี้ยคือเจตวิมุตต์ปัญญาวิมุตตนะ์เนี่ยเจตวิมุตต์คือสมถะปัญญาวิมุตต์อีกชื่อหนึ่งก็คือวิปัสสนานั่นเองแลีนะ่ย อ, อย่างนี้ต้องสมดุลกันเนะีสมดุลกันในลักษณะที่อาสวะจะเกิดขึ้นไม่ได้ โป้งเลยโป้งเลยคุณยมติวว่าจะบรรลุเป็นพระทันได้ทีนี้เราต้องทําสมดุลตรงนี้ให้เกิดขึ้นนะเราก็จะเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาเราร้อยเข็มกับได้เนี่ยคุณยมติวเคยทํำไหมโดยไม่ใช้เครื่องช่วยนะเคยใช้เออเคยทำกันใชอก็เราก็จะเอาเข็มเนี่ยถือไว้มือซ้ายนิ่งๆหน้อยนะแล้วก็เอามือขวานี่จับได้พยายามที่จะทิ้มมันเข้าไปแต่ที่มันก็ให้โดนส่วนใหญ่จะไม่โดนอทีนี้ถ้าเรานิ่ง แล้วเราก็เคลื่อนคือมือซ้ายนิ่งมือขวาเคลื่อนเข้าไปด้วยจังหวะที่พอเหมาะพอดีพรวดมันพรวดเข้าไปเลยสบายเช่นเดียวกันในขณะที่เราต้องมีสมถะและวิปัสสนาพร้อมๆกันนี่พระเจ้าบอกนะให้เจริญไปพร้อมๆกันมันอยู่ตรงไหนไอ้ที่เราพูดไปเมื่อตอนต้นรายการคือสมถะนี่คืออาการที่จิตเรานิ่งไม่ไหวติงมีอะไรมากระทบก็นิ่งเฉยอยู่ได้ เป็นผู้ที่เพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดี <Okay. S 1> คือจิตของเราเนี่ย อ, อย่างที่เรามาให้สติให้จิตแล้วก็ลมหายใจเนี่ยนิ่งอยู่เป็นอันเดียวกันเนียบเลยเนี่ยนะอันนี้คือลักษณะของสมถะแน่นอนทีนี้พอจิตของเรามันไปเริ่มไปรับรู้สิ่งไหนก็แล้วแต่ความคิดนั่นแหละตัวดีเลยคุณยมเตียว <Okay. S 1> มันคิดมากเหลือเกิน นะอดีตนางก็ปัจจุบันเรื่องคนอื่นเรื่องตัวเองนี่คิดน้อยเหลือเกินเอาไม่เป็นไรนะพะมีความคิดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยในะวินาทีนั้นเนี่ยความคิดมามแบ่งเนื้อที่ในการรับรู้ของจิตของเราไปนะอ่าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราวางไอ้ตรงที่มันเข้ามานี้ได้นะวางได้นั่นคือวิปัสสนาคือคุณจะวางได้เนี่ยคุณต้องเห็นตามที่เป็นจริงก่อนตรงไปโดยเฉพาพูดถึงการ ปล่อยวางเนี่ยก็ปราลบเหตุมาจากการที่เบื่อนายเบื่อนายก็มาจากเหตุที่เห็นตามที่เป็นจริงแตเพราะนั้นะพอเราเห็นตามที่เป็นจริงว่าโอ้ยนี่ไม่มีอะไรเราอย่าไปสนใจมันนะการที่รู้ว่ามันไม่มีอะไรอย่าไปสนใจมันเนี่ยคือมีวิชาเกิดขึ้นแล้วนะเพราะว่าถ้าคุณยังมีอวิชาอยู่เนี่ยคุณก็จะหลงไปปรุงแต่งต่อเนื่องปรุงแต่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหม่เรื่องใหม่ปุ๊บมันก็จะกินเนื้อที่จิตเรามากขึ้นล่ะทีนี้ถ้าเรารู้ว่าโอันนี้ไม่มีอะไร ปล่อยวางปล่อยวางพวตรงนั้นเป็นวิปัสนาทันทีท่านคะค <Ừ. S 2> ืฉันมีคำถามที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวคือพยายานั่งสมาธิเนี่ยละคะ่ะท่ามกลางคนเยอะๆเลยนะคะเหมือนกับไปเข้าคอร์สแล้วก็มีภาพที่มันสะท้อนว่าในอดีตคือคือที่ฉันไปโดนวัวควิดมานะคะแล้ว คนก็มักจะทักว่าโ อ, อ้โหไปโดนไกลถึงหน้าบ้านพระพุทธเจ้าแสดงว่ามีกรรมมีอะไรกับคนแถวนั้นทีนี้วันนั้นในสมาธิหลังจากที่โดนวอรควิดประมาณหนึ่งอาทิตย์นะนะคะก็เห็นภาพเหมือนเมืองแขกโบราณแต่พอเห็นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวฉันก็ไม่ได้อยากดูต่อเพราะระลึกได้ว่าครูบาอาจารย์สอนว่าต้องวาง มันเป็นวางตัวเดียวกันกับที่ท่านกําลังพูดถึงอยู่หรือเปล่าคะถูกต้อง<ะ>เพราะว่าวินาทีนั้นคุณโยมติวเห็นตามที่เป็นจริงว่าเฮ้ยไม่มีอะไรแต่ตอนให้เราไปทำกรรมม่จริงๆต่อให้จริงๆรนะะเราเคยไปทําอะไรไว้นั่นมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วอะเราก็แก้หใหม่ทําใหม่ก็เท่านั้นเองแล้วขณะนี้คุณทําอะไรอยู่เราก็กําลังแก้อยู่กําลังทําใหม่อยู่ไงมันก็คือจบไปเลยเมืพอเราวางปุ๊บก็คือจบละ นั่นคือลักษณะเห็นตามที่เป็นจริงนะอันนี้เป็นลักษณะเห็นตามที่เป็นจริงเลยนะคะเห็นตามที่เป็นจริงเป็นเหตุของอะไรของความที่เราปล่อยวางได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณปล่อยวางได้จริงๆริปล่อยวางได้จริงๆก็คือว่ามันผ่านไปแล้วเราก็ไม่หยิบมาพูดอีกแต่ถ้าเป็นกรณีศึกษาอย่างนี้เราก็พูดได้นะแต่ไม่มากวนใจไม่มาทําให้เรากังวลไม่เราคิดแล้วคิดอีกเราไม่เป็นอถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าคุณวางได้จริงๆถ้าคุณวางได้จริงๆเอาอาศัยเหตุอะไรมันก็ต้องมีเหตุเดียวนั่นคือการเห็นตามที่เป็นจริง ทีนี้<อ>ประเด็นก็คือว่าเอ๊ะเราเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้ไอตรงนี้มันสมดุลกันไหมบางคนพิจารณามากพิจารณาแบบพิจารณาจนกระทั่งพิจารณาไปเป็นเรื่องอื่นไปเลยคือเป็นฟุ้งซ่านไปนะส่วนบางคนมีแต่นิ่งอยู่ก็มีแต่ก็นิ่งอย่างเดียวในจิตเนี่ยนิ่งจนกระทั่งไม่พิจารณาอะไรกลายเป็นง่วงเหงาหอนขี้เกียจขี้คลานไปเป็นอย่างไง้นก็มี อ, อเพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงเพื่อจะรู้ตรงนี้ได้หรือเราจะมีเครื่องวัดไหมเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ที่เราบอกสอนกันนะคือคือบอกเลยเดี๋ยวนี้ก็ได้น ะ, ะ, ะว่าสั้นๆง่ายๆว่าสมมติว่าถ้าเราเข้าสมาธิปุ๊บเนี่ยเออเราก็ว่าเราก็นอนพอนะเราว่าเราก็ไม่ได้ง่วงอะไรก่อนเอ๊ะทำไมเข้าสมาธิปุ๊บมันหลับว่ะมันตกเข้ามอวงังมันกลายเป็นไม่รู้เรื่องไปคอตกคอพับ เอ็นหน้าเอ็นหลังไปอย่างงั้นอันนี้แน่นอนเลยแสดงว่าคุณมีแต่นั่งสมาธิอย่างเดียวคือมีสัจธรมรมฐานอย่างเดียวไม่เคยพิจารณานะเลยเป็นผลทำให้เกิดความขีๆๆ้เกียจขี้คลานก็แปลรูปออกมาเป็นลักษณะของตีน้มิทะทังนั้นที่เราก็ไม่ได้ง่วงอะไรมากท่านคะแต่ดูเหมือนกับว่าถ้าตัวอย่างที่ท่านได้พูดมาแค่เพียงว่าออพอเห็นอะไรแล้วเรารู้ตามความเป็นจริงว่ามันมีอะไรแล้วเราวางไปอืม เท่ากับว่านั่นเป็นวิปัสนาแล้วต้องปัญญามันไม่น่าจะเกิดเลยนะคะท่านค ะ, คะดูเหมือนกับมันอ่าพื้นๆมากก็นี่แหละง่ายๆแค่นี้แหละคือการที่เราปล่อยวางได้ไงค่ะนะคือทั้งหมดทั้งสิน้นคาสังพระเช่านะคุณโยมติว๋วให้ปล่อยวางนะไม่มีอะไรที่เราจะต้องยึดถือไว้นุประอสองค์คือความปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางปลอปล่อยจนหมดนั่นแหละ แม้เซลล์เซลล์เดียวเราก็ไม่ยืดเตอไว้ไม่ต้องพูดถึงแขนขาหัวหเลยอะไรพวกนี้น ะ, บ า, ะบางทีไม่ใช่บางเทียค่ะที่นิ้เคยเข้าใจนะคะว่าการวิปัสสนาเนี่ยในส่วนเนี้ยน่าจะหมายถึงเราจะต้องพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์อันนิจจังทุกขังอนัตตาออในสมาธิให้ได้ เ, ออเคยเข้าใจอ ย, อย่างนั้นจริงๆค่ะพิจารณาตรงเนี้ยก็ถูกไง เพราะว่านี่มันเป็นสเต็ปสเตเก่อนหน้านั้นแล้วแล้วพิจารณาเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงไหมจะเบื่อไหนเบื่อนายแล้งไงคลายกำหนัดกล้ยกำหนัดแล้วไงปล่อยวางได้นะคือบางที่มันเร็วปื๊ดเนี่ยจนกระทั่งเราเห็นแค่ตรงที่เราปล่อยวางปุ๊บเอ๊เราไปพิจารณาตอนไหนคุณเลยมาแล้วเอ๊เราไปคลายกำหนัดตอนไหนเลยมาแล้วเลยมาแล้วเนี่ยคือเราไม่เห็นแล้งไงมันมันละเอียดมากนะอืมค่ะ เพราะฉะนั้นก็คือว่าเราก็สอนให้สังเกตตรงนี้แล้วก็ยังมีเรื่องสมร t h อีกที<ะ>่ว่าเราจะชั่งน้ําหนังไงให้มันสมดุลพอดีเราจะมีมาตราการที่วัดก็คือ ง, ง่ายๆที่บอกนี่แหละถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราอะไรก็มีแต่ง่วงมีแต่ง่วงแสดงว่าคุณไม่ได้พิจารณาหรือว่าถ้าเรามีแต่คิดมากคิดฟุ้งสั้นจิตมันแบบร้อนรนวุ่นวายอันนี้นก็คือคุณพิจารณามากเกินไปนะให้เข้าสมาธินิ่งอย่างเดียวอย่างนั้น อันนี้ก็คร่าวๆอีกประเด็นหนึ่งที่ที่จะได้พูดถึงในหลักสูตรของคนเก่าเนี่ยนะอือืมค่ะพูดถึงคนเก่าที่ปฏิบัติกันไปนานๆแล้วเขามักจะมีปัญหาอะไรคล้ายๆอยนคะท่านคะเอ่อปัญหาไม่มีเอ่อก็ไม่แน่ใจเหมือนกันปัญหาอะไรอะก็นึกว่ามีคําถามอ๋อถ้าพูดถึงคำถามว่าถามคล้ายๆกันค่ะก็พวกนี้มิดนี่แหละพวกนี้มิดเอ่อ พวกคันหน้ามีเห็นภาพนั้นตัวหนักๆทำไมหนังตากระตุกพวกนี้ทั้งหมดเลยนั่ น, ะนคือค <า S 2> เป็นการตรงแต่งของจิตอ่าถ้าท่านบอกว่าเวลาคันหน้าหรือมันมีอาการอะไรอย่างมีอยู่พักหนึ่งเดี๋ยวฉันเคยคันหลังมือ uh huh. แปลกมากนั่งสมาธิทุกครั้งจะคันหลังมือ uh huh. หนักๆเข้ามาคันตรงคางแล้ว ตอนที่คันตรงคางเนี่ยนะเรามีความรู้สึกว่าเออเราเป็นโรคพยาธ ต, ตัวจี๊ดหรือเปล่าอื <c oughs> มันคันมากนะคะในขณะที่นั่งสมาธิ <c oughs> แต่พอนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็แล้วกันทีนี้จะถามท่านนะคะว่าหากมีอาการแบบเนี้ยซึ่งตามปกติแล้วเราไม่มีเหตุผลที่จะทนท่านในช่วงไม่นั่งสมาธิก็เก้าก็ทําอะไรกันตามสะดวกแต่เวลานั่งสมาธิจะทนจริงๆแล้วมันทนได้ ต้องทนหรือว่าเกาได้ะคะท่านคะประเด็นตรงนี้เรามาต่อกันพวงนี้ได้อันนี้มีแง่มุมอยู่ทำไมเราต้องทนตอนได้ไปอยู่อะไรอันนี้เราจะพูดได้นะนะคะนะคะก็ท่านผู้ฟังคะดี่ฉันคิดว่าแง่มุมแบบนี้เนี่ยบางทีเราคิดกังวลอยู่คนเดียวหรืออาจจะหาคําตอบให้ตัวเองแต่อาจจะเป็นคําตอบที่ไม่ถูกดังนั้นการที่มีครูบาอาจารย์อ่าที่อ้างอิงคําสอนของภาษาสดา พุทวจะนะนี่นะคะมาสอนเราอย่างถ่าอาจารย์เพบุญก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งติดตามรับฟังกันต่อไปส่วนท่านจะมีคำถามสงสัยก็เพียวธรรมะ .com/106 ยาลังเลที่จะส่งมาหรือถ้ายัางสัมทัสเพียงแค่ใช้โทรศัพท์ที่หมายเลข022690006นะคะแล้วก็ที่หมายเลขนี้เดี๋ยวจะขอหนังสือได้ด้วยแต่ว่าดิฉันขอกราบนมัส ก, การขอบพระคุณพระอาจารย์พบุอภิปุโนกรกแล้วกันค่ะ นมมสการขอบพระคุณท่านนะคะเทียพานค่ะท่านผู้ฟังคหนังสือที่ว่านั้นคือหนังสือพุทธวจนะนะคะจะมะีบทเพียนชนะหลายเรื่องทีเดียวแล้วก็ไม่แน่บางเล่มที่ท่านได้รับไปอาจจะมีบทเพียนชนะเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบตัติการเจริญอาณาปานาสตินี้ก็ได้เป็นอภินันทนาการจากพระอาจารย์คึกฤทิโสธิพโลท่านเจ้าวาดวนาปะพงลำลูกกาคลองสิค่ะ วันนี้รายการสันนิษีส น, นาเห็นทีว่าจะต้องลาท่านฟังกันไปแล้วนะคะพรุ่งนี้มาติดตามรับฟังกันต่อว่าเมื่อมันเกิดอาการคันในสมาธิเราจะเกาได้ไหมหรือว่าจะต้องนั่งทนทรมานไปอย่างนั้นติดตามังวันพรุ่งนี้นะคะพุทโธ ส, สวัสดีค่ะ